ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยสากังคหอัตตกถฐาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สาสิบสองครุกาปัติวุฒานะวินิชยกาถาคาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบัตก็คืออบัตนาะ คำว่าการออกจากคารุกกะบัตคือการออกจากคารุกกะบัตด้วยวินัยกรรมมีปริวาดและมานัตเป็นต้นเพราะฉะนั้นการออกจากคารุกกะบัตในที่นี้หมายถึงออกจากคารุกกะบัตที่เรียกว่าสังฆาธิเศษเพราะว่าคารุกกะบัตนี้จะมีสองอย่างก็คือพาราชิตกับสังฆาธิเศษถ้าพาราชิกก็ออกโดยการที่ไปเป็นสามเณรหรือว่าไปเป็นครหัดเสียกาสณะเพศของภิกษุไป ไปถือสารณะเป็นสามัญเรีหรือว่าถือสินห้าพร้อมทางสารณคมเป็นพระหักอันนี้ทาให้ค้นสากาบัติได้สามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอาบัติสังกัดทิศนี้ต้องมากระทํากรรมให้รงทํากรรมให้สังกัดทิศก็หมายถึงว่ากรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือนั้นเนื่องด้วยสงสงเป็นผู้ที่กระทําให้ไปทําเองไม่ได้จะไปแสดงอาบัติกับ บุคคลหรือคณะไม่ได้ต้องให้ส่งมากระทำกรรมมีปริวา่าเป็นต้นถ้าปกปิดไว้ก็ต้องอยู่ปริวาตามจำนวนวันที่ปกปิดไว้ถ้าไม่ได้อยู่ปริวาก็ไม่ผลปออกมานัดอภานเลยไม่พ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ปกปิดไว้ก็ไปขอมานัดเลยขอมานัดหกราตรีขึ้นไปแล้วก็อภานเรียกข้ามูข้าบริสุทธได้แต่ว่าถ้าปกปิดไว้ก็ต้งอยู่ปริวาตก่อนแล้วจึงมาขอมานัดแล้วอภานในภายหลัง ในเรื่องมานัตและปริวาสเป็นต้นนี้ปริวาสมีสามอย่างก็คือปฏิชนะปริวาสหนึ่งสุทันตะปริวาสหนึ่งสโมโอทานปริวาสหนึ่งก็มีสามอย่างในการปฏิชนะปริวาสก็หมายถึงปริวาสที่มีการปกปิดไว้ส่วนสุทันตะปริวาสก็หมายถึงมีการปกปิดไว้ในการแต่ว่าไม่รู้ว่าปกปิดไว้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอยู่ไปโจนกทั่ง คิดว่าบริสุทธิ์ถ้าเป็นมหาสุดทันตรัริวาสก็เอาตั้งแต่วันบวชเลยถ้าเป็นจุลละสุดทันตรัริวาสก็กําหนดได้ว่าบริสุทธิ์มาถึงวันไหนก็เอาตั้งแต่วันนั้นพวนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มหาสุดทันตรัริวาสนี้จะเลื่อนขึ้นไปไม่ได้แล้วเพราะนับตั้งแต่วันบวชก่อนนานๆก็ไม่มีและอันสุดท้ายก็คือสมุทรปริวาสก็หมายถึงประมวลเพราะว่าอบัตหลายๆตัวรวมกนันเลยนะ แล้วก็ประมวลอวัน้างที่สุดแล้วก็มาอยู่ปริวาในปรวิวาทั้งสามอย่างนั้นทีแรกควรให้ปฏิจชนะปริวาเพื่ออาบัตตามที่ปิดไว้จึงอยู่พิกษุบางรูปปิดอาบัตไว้วันเดียวบางรูปปิดไว้สองวันบางรูปมีอาบัตตัวเดียวบางรูปมีอาบัตสองหรือว่าสามหรือว่ายิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงจะให้ตัิดชนะปริวา ควรทราบความที่อาบัติเป็นอันปกปิดไว้เป็นอันดับแรกก่อนคือต้องรู้ว่าอาบัตสังการพิเศษที่พิคตุต้องเนี่ยปิดเอาไว้จึงจะมาให้ปฏิชนะกริวาได้จริงอยู่ชื่อว่าอาบัตนี้เป็นอันปกปิดด้วยอาการสิบอย่างก็คือถ้าอยู่ในสิบอย่างนี้จึงจเรียกว่าเป็นการปกปิดไว้เมื่อมีการปกปิดไว้ก็มีอาบัตด้วยนะมีอาบัต ปกปิดอ บ, บัต์ชั่วอยากของตอนเองก็ต้องอ บ, บัต์ทุกกฎด้วยถ้าปกปิดอ บ, บัต์ชั่วอยากคือสังการพิเศษของคนอื่นนี้ต้องอ บ, บัต์ปราจิตตีถ้าอาการสิบอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นอันปิดก็คือมาดิการในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเป็นอบัต์คือพิจุนี้นี่เจ้าตัวนี้เป็นอบัต์ข้อที่สองนี่ 2, ต้องรู้ว่าเป็นอ บ, บัต์ข้อที่สามเป็นผู้ปกตัดหมายถึงเป็นผู้ที่ไม่ได้ถูกถงยกวัด ข้อที่สี่รู้ว่าเป็นผู้ปกติก็คือรู้ตัวด้วยว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสงยกวัดข้อที่ห้าเป็นผู้ที่ไม่มีอันตรายข้อที่หกรู้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอันตรายด้วยข้อที่เจ็ดเป็นผู้อาจที่จะบอกได้อยู่ข้อที่แปดรู้ว่าเป็นผู้ที่อาจคือสามารถจะบอกอาบัตเหล่านี้ได้ด้วยข้อที่เก้าเป็นผู้ที่ใคร่จะปิดคืออยากจะปิดเอาไว้ข้อที่สิบ ทำการปิดก็คือไม่บอกแก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นมาติกาสิบอย่างสิบอาการนี้นะเป็นสิ่งที่บอกหรือประกาศหรือว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ปกปิดอาบัตไว้ในมาติกาเหล่านั้นข้อว่าเป็นอาบัตและรู้ว่าเป็นอาบัตมีอธิบายว่าเพี้ยสู ต, ต้องอาบัตใดจัดว่าเป็นอาบัตนั้นแท้อาบัตก็สังการพิเศษมีสิบสามข้อก็คือตั้งแต่ปล่อยสุกะ ทำน้ำมัุยิให้เคลื่อนด้วยความตั้งใจยกเว้นไว้แต่ฝันนะข้อที่สองก็จับต้องกายหญิงแม้กระทั่งช้องผมเช่นผมก็ตามข้อที่สามก็เป็นผู้ที่พูดเคาะด้วยวาจาช่วยยาพลาดิงอวิยวะเพศของหญิงข้อที่สี่ก็เป็นผู้ที่พูดบรรมเรอให้หญิงนั้นบรรมเรอตนได้วยตามให้หญิงนั้นมาทําบุญมไหว้ถวายเมถุนอะไรต่างๆเหล่า น, น, นี้ก็ต้องปฏิสังขาพิเศษข้อที่ห้าก็เป็ผู้ที่ชับสื่อให้เป็นผัวเมียกาัน ข้อที่หกก็นผู้ที่ทํากุติใหญ่กุติที่ไม่มีคนที่เป็นเจ้าภาพใหญ่เกินประมาณไม่ได้ให้ทรงแสดงที่ให้ก็เป็นปัญชำนัทิเศตที่เจ็ดสรางวิหารใหญ่คือมีเจ้าภาพทาให้ออกฆ่าทภาพสัมปราคาให้แต่ว่าไม่ได้ให้ส่งแสดงที่ให้ข้อบัญชำนัสทิเศตรายแปดก็เป็นผู้ที่โจดทิ้งตัอื่นเนื่อบัตรประราชิกหามูมไม่ได้ข้อที่เก้าเป็นผู้ที่โจดทิกงตัอื่นเนื่อบัตรประราชิกโดยการอ้างเล่จด เก้าข้อนี้ต้องอบัตแต่แรกทําเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องอบัตแล้วปกปิดเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าเป็นอันปกปิดแต่สีข้อดังเนี่ยเป็นผู้ที่ให้สงตรวจสมนุภาพก็คือประกาศห้ามก็คือข้อที่สิบก็ตะกิจตกลายทําลายสงผู้พร้อมเพรียงกันข้อที่สิบเอ็ดก็เป็นฝักไฟสนับสนุนให้ริจุเป็นผู้ที่ทํารายสงนั้นหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างหรือว่าสามรูปบ้างสงก็จะตรวจสมนุภาพประกาศห้ามถ้าไม่ยอมเลิกแนละ้วก็ บภสังคัดิี่เจ็ข้อที่สิบสองว่าพิสุกว่ายากสอนยากส่งตัดเตือนเพื่อนพิสุตัดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ให้กลับมาตรวจในสีมาตรวจสำนุภาพประกาศห้าม้าไม่ฉลาดความว่ายากสอนยากเหล่านั้นก็อภาสังคาธิเจ็ข้อ ท, ที่สิบสามพิสุเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามกล้จะจบประจแจงกระหัดให้ของอะไรต่างๆเป็นผู้ที่ทํางานรับใช้หรือว่าให้ดอกไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ประจบประแจงถ้า การสุตักเตือนหรือว่าขับไล่ทําปรกภาชนีกรรมขับไล่นะก็นํามากล่าวว่าส่งเป็นผู้ที่ลาเอียงที่ตัทั้งหลายผู้ที่ลำเอียงนี่เอาตะกี้ทั้งสี่เมื่อห้ามแล้วไม่ฟังก็ส่วนสมุนภาพตรกาศห้ามสี่ข้อหลังนี้ส่งเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมปัะสงงานานพิเศษเพราะฉะนั้นไม่เป็นอันปิดปิดยังไงก็ไม่เป็นอันปิดแต่ว่าเก้าข้อแรกเนี่ยปิดรับชื่อว่าเป็นผู้ที่ปิดไว้ และแม้เธอก็รู้อาบัต์นั้นว่าเป็นอาบัต์เหมือนกันคือสังการพิเศษเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นอาบัต์เมื่อพิกจุรู้อยู่อย่างนี้และปิดไว้อาบัต์จึงเป็นอันปิดแต่ถ้าพิกจุนี้มีความสําคัญในอาบัต์อันว่าเป็นอนาบัต์อาบัต์ไม่เป็นอันปิดแต่สําคัญว่าจับต้องกายหญิงได้ติดไรยังไม่ได้เทรดในถุนด้วยความกําหนังเข้าใจว่าไม่เป็นอาบัต์เพราะว่ายังพึ่งบวนมาใหม่แต่ว่าเป็นอาบัต์แล้ว ถ้าเข้าใจว่าไม่เป็นอบัตแล้วปิดเอาไว้นี่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นอันปิดเพราะว่าเข้าใจว่าไม่เป็นอบัตทิสุรู้อยู่อย่างนี้และปิดไว้อบัตเป็นอันปิดแต่ถ้าทิสุนี้มีความสําคัญในอบัตนั้นว่าเป็นอนาบัตอบัตไม่เป็นอันปิดส่วนอนาบัตหมายถึงว่าไม่ได้เป็นอบัตซึ่งทิสุปกปิดอยู่ด้วยความสําคัญว่าเป็นอบัตพอดีด้วยความสำคัญว่าเป็นอนาบัตพอดีไม่เป็นอันปกปิดอบัตนั้นเลยคือไม่ได้ต้องอบัตสังฆาพิเศษหรอก คือไปจับน้องสาวไปจับหญ้าดืวยความสําคัญว่าเป็นหญ้าจะต้องอบัตบทุกกฎเท่านั้นแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นสังขารที่เจตแล้วก็ปิดเอาไว้อันนี้ก็ไม่เป็น prawda, อัน <cuál S 2> ปิดแต่ว่ามีอับัตบทุกกฎด้วยปิดอบัตบเล็กน้อยปิดอบัติเบานี้กว่าทุกกฎที่สุปิดลหูกาบัตด้วยสําคัญว่าเป็นครุกาบัตก็ดีปิดครุกาบัตด้วยสําคัญว่าเป็นละหูกาบัตก็ดี เธออยู่ในพวกอัลลัชีอบัตไม่เป็นอันปิดไม่เป็นอันปิดอบัตคือไปเข้าใจผิดว่าอบัตหนักเป็นอบัตเบาเข้าใจอบัตเบาก็เป็นอบัตหนักแล้วก็ปิดเอาไว้เลยนะไม่เป็นอันปิดแต่ว่าเจตนาไม่ดีที่ปิดทําให้มีอบัตทุกกดได้อบัตทุกกดเป็นอาบัตเบาแล้วก็จัดอยู่ในพวกอัลลัชีด้วยทิศสุสําคัญครูขอาบัติว่าเป็นลหุกาบัตแล้วแสดงอบัตนั้นไม่เป็นอันแสดง แล้วก็ไม่เป็นอันปิดด้วยเข้าใจว่าอบัตสังการทเศษแสดงกันได้แสดงอบัตสัปปะตาอับัติโยอารมชมิสสัปปะรุระหุกาอับัตติโยอารมชมิสขับเจ้าขอบอกอบัตอับัตนาบัตเปบาขับเจ้าขอประมวลมาบอกอันนี้ก็ไม่เป็นอันแสดงแล้วก็ไม่เป็นอันปิดด้วยรู้จักครุกอบัติว่าเป็นครุกอบัตแล้วปิดไว้จึงเป็นอันปิดเพราะว่าอบัตสังการทเศษเป็นอับัตนาบแล้วก็ปิดเอาไว้เรียกว่าปิด ไม่รู้จักว่าเป็อนอบัตหนักอบัตเบาปกปิดด้วยคิดว่าเราปิดอบัตแล้วปิดไว้อบัตเป็นอันปิดแท้คือไม่รู้หร cock, อกอว่าเป็นอาบัตหนักหรืออาบัตเบาเช่นไปจับต้องกายหญิงไว้มันเป็นอบัตแล้วลนะ่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอบัตหนักก็ปิดเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นอันปิดไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดถ้าเป็นความเข้าใจผิดนี้ปิดเอาไว้นี่ยังไม่เป็นอันปิด ก็คือเข้าใจว่าอบัตสังไเฉดนั้นเป็นอบัตเบาแล้วก็ปิดไว้ไม่เป็นการปิดพิกษุที่ไม่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมสามอย่างชื่อว่าปกตตตะพิษุหมายถึงเป็นพิกษุบริสุทธิ์ปกติอยู่ไม่ใช่พิกษุที่ถูกลงกรรมอุเคปนิยกรรมหมายถึงกรรมที่มีการยกวัดหมายถึงไม่ให้สมโพกบริโภคกับภิกสุตกจะมาร่วมทําอุโบสถมร่วมทําปารณา สังฆกรรมต่างๆนี้ไม่ได้ใครไปลงทำสังฆกรรมด้วยกับพิสุรูปที่ถูกสงยกวันนี้ก็ต้องอาบัตตาคิตีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ถูกสงทํากรรมโดยโอเคปฏิญกรรมสามอย่างก็คือไม่เห็นอาบัตไม่สละคืนอาบัตที่เห็นแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิถ้าให้สละและไม่ยอมสละก็กสงสวดประกาศเขาเรียกว่ายกวัดโอเคปฏิญกรรมสามอย่างนี้ถ้าไม่ถูกสงยกวัดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปกติตะ ถ้าเธอมีความสําคัญว่าตนเป็นผู้ปกตัดปิดไว้เป็นอันติดคือตัวเองก็ปฏิสุทธิ์ไม่ได้ถูกสงยกวัดแล้วก็ต้องปรับสังฆทานทิเศศแล้วก็ยังคืนปิดไว้เป็นอันติดถ้าเธอเป็นผู้มีความสําคัญตนว่าไม่ใช่ผู้ปกตัดด้วเข้าใจว่าสงทํากรรมแก่เราแล้วปิดไว้ไม่เป็นอันปิดอาบัติไม่ได้เป็นอันติดคือถูกสงลงกรรมเหมือนกันแต่ลงกรรมประเภทอื่นเช่น ถูกลงตัดชนีกรรมเป็นกรรมที่ติเตียนถูกทํานิยัสกรรมเป็นกรรมที่ลดยศลดตําแหน่งเคยเป็นอุปชาอาจารย์ก็ไม่ให้เป็นอาจารย์แล้วให้ถือนิสัยไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจว่าสงลงกรรมแล้วก็ไม่ไปสมโพธไม่ไปบอกสงไม่ไปบอกภิกษุปิดอาบัตสังกาดที่เสดไว้อันนี้ไม่เชื่อว่าเป็นอันปิดเพราะเข้าใจว่าตัวเองนี่ไม่ใช่ผู้ปกตัตร์แม้ภิกษุไม่ใช่ผู้ปกติตร ซึ่งมีความสำคัญว่าตนเป็นผู้ปกตัดหรือสำคัญตนว่ามิใช่ผู้ปกตัดปิดแล้วไม่เป็นอันปิดแท้คือตัวเองนี่ถูกสงลงกรรมก็คือโอเคปณญญกรรมจะเข้าใจว่าตนเป็นผู้ที่ไม่ใช่ปกตัดตะหรือจะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ปกตัดตะเป็นผู้ปริบุติตามปิดเอาไว้ก็ไม่เป็นอันปิดเพราะว่าความจริงคือตอนเองนั้นสมโพกบริโภคกับสงไม่ได้ไปอยู่ร่วมไปอะไรกับรงไม่ได้ กินร่วม น, นอมร่วมนีม่ก็ยังไม่ได้ก็บัตรจิตตีไม่เป็นอันผิดสมจริงดังที่พระดำรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปริวาระดังนี้ว่าบุคคลต้องครุกาบัตรมีส่วนเหลือก็คื อ, อบัตรสำคัญพิเศษนั่นเองก็เป็นประราชิกนั้นก็ไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าสาวะเสสาบัตรสาวะเสสาบัติเป็นอบัติที่มีส่วนเหลือหมายถึงอบัตรสำคัญพิเศษแต่ว่าอานัวะเสสาบัตรบัตรที่ไม่มีส่วนเหลือหมายถึง มาตาชิตนี่หมายถึงครุกรบาดอับดับนัอบดับหนักมีสองกองอาราชิกเรียกว่าอณวเสสาบัตอับดับที่ได้มีส่วนเหลืออับับหนักไม่มีส่วนเหลือแต่ถ้าสําคัญพิเศษเรียกว่าเป็นสาวเสสาบัตเป็นครุกระบาดที่มีส่วนเหลือแต่ถ้าอบัตห้ากองเป็นอับดับเบาเนี่ยเรียกว่าโลหุกาบัตอันนี้เป็นสาวเสสาบัตอย่างเดียวสาวเสสาบัตอับับมีส่วนเหลือ บุคคลต้องครุกอาบัตมีส่วนเหลืออาศัยความไม่เอื้อเฟือปิดไว้บุคคลนั้นไม่ใช่พิกษุณีก็คือเป็นพิกษุนั่นเองแต่ไม่ถึงต้องโทษปัญหานี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วจริงอยู่ปัญหานี้ท่านตราด้วยพิกจุผู้ถูกสงยกวัดก็คือเป็นผู้ที่ถูกลงอุเคปนิยกรรมด้วยสามอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ปกปิดเอาไว้แต่ว่าอาบัตนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ปกปิดเพราะว่าตัวเองนั้น ถูกส่งยกวัดแต่แล้วไม่มีการสมคบหรือว่ากินร่วม น, นอนร่วมกับพิจุตสงข้อว่าอานันตรายยิ่โกหมายถึงว่าไม่มีอันตรายมีความว่าในอันตรายสิบอย่างอันตรายแม้อย่างหนึ่งไม่มีแกพิสุดใดถ้าพิจุนั้นเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่มีอันตรายแล้วปิดไว้อาบัตินั้นเป็นอันปิดแท้ไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยในบรรดาสิบอย่าง มีโจรหรือว่าสัตว์ร้าย ง, งูพระราชาน้ําหลากมาไฟไหม้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ได้เข้าใจว่ามีอันตรายแล้วปิดไหมก็เป็นอันปิดถ้าแม้เธอเป็นผู้มีความสําคัญว่ามีอันตรายเพราะอะมนุษย์และสัตว์ร้ายในเวลากลางคืนเพราะเป็นผู้มีชาติแห่งความคลาดคือเป็นคนที่คลาดจึงปิดไหมอบาบัตินั้นไม่เป็นอันปิดก่อนคือเข้าใจว่ามันมีอันตราย มีอันตรายด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าอายคนอื่นด้วยก็เลยกิดเอาไว้มารู้ว่าเข้าใจว่ามันมีอันตรายอยานี้ก็ยังไม่ชื่อว่าปิดก็เมื่อพิกตูไดยอยู่ในวิหารกใกล้ภูเขาครุกามัตเป็นของพิกตุนั้นจะต้องข้ามซอกเขาถือว่าแม่น้ําไปบอกไพ่มีสัตว์ดุร้ายและอมนุษย์เป็นต้นมีในระหว่างทางงูทั้งหลายย่อมนอนในทางแม่น้ําเต็มและเมื่ออันตรายนั้นมีอยู่จริงๆ เธอมีความสําคัญว่ามีอันตรายจึงปิดไว้อาบัตินั้นไม่เป็นอันปิดก่อนก็คือมีอันตรายจริงๆแล้วสาคัญว่ามีอันตรายด้วยก็ปิดเอาไว้ก็ไม่เป็นอันปิดอันหนึ่งเมื่อพิจุผู้มีอันตรายปิดไว้ด้วยความสําคัญในอันตรายว่าไม่มีอันตรายอาบัตินั้นไม่เป็นอันปิดเหมือนกันก็คือความจริงแล้วมันมีอันตรายอยู่ระหว่างทางแต่ว่าตัวเองเข้าใจว่ามันไม่มีอันตรายหรอกแต่ว่าไม่ไปบอกะปิดเอาไว้ อย่างนี้ก็ไม่เป็นอันปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสืบสวนสอบสวนให้ดีว่าปิดหรือว่าไม่ปิดข้อว่าปะหุมีความว่าพิจุนั้นอาจเพื่อจะไปสู่สำนักพิจุและเพื่อจะบอกได้คือสามารถที่จะไปหาพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าตนเองเป็นอบัตนักเนี่ยได้ถ้าเธอเป็นผู้มีความสำคัญว่าตนอาจจะบอกได้ แล้วก็ปิดอาบัตนั้นไว้อาบัต์นั้นเป็นอันปิดทีเดียวคือรู้ตัวว่าสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าก็ไม่อยอมไปบอกก็เรียกว่าเป็นอันปิดถ้าที่ป่าของเธอเป็นฝีเล็กน้อยหรือว่าลมเสียดคางปวดฟันหรือได้พิษน้อยก็แลด้วยเหตุเพียงเท่านั้นจะจัดว่าไม่อาจบอกไม่อาจไปหาได้ไม่คือมันเจ็บปวดเล็กน้อยเท่านั้นจะมาอ้างเล่ตรงนี้ไม่ได้ ก็แต่ว่าเธอเป็นผู้มีความสําคัญว่าเราไม่อาจพิษตุนี้เป็นผู้อาจแต่ชื่อว่าเป็นผู้มีความสําคัญว่าตนไม่อาจอาบัดแม้ที่พิษตุนี้ปิดไว้จัดว่าไม่เป็นอันปิดเหมือนกันเพราะว่าเป็นสำคัญผิดความจริงแล้วตัวเองเนี่ยถาม่าที่จะไปบอกได้แต่มาเข้าใจว่าตัวเองไม่อาจเพราะว่าตัวเองไม่มีกําลังใจเป็นคนที่ไม่ได้กล้าไม่ได้อาดหารปวดเล็กเลน้อยๆเจ็บเล็กน้อยน้อยก็เป็นคนที่ท้อแท้ท้อถอยไม่มีกําลังใจก็เลยพลอยเหี่ยวแห้งไป อะไรสาคัญว่าตัวเองไม่สามารถได้บอกได้หรอกเจ็บขนาดนี้ปวดฟันขนาดนี้เนี่นะอันสาคัญว่าตนเองไม่อ่าจบอกได้เพราะฉะนั้นปิดเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันติดเพราะว่าสําคัญผิดว่าตัวเองไม่อา่านทั้งๆที่ตัวเองอาจอันหนึ่งอาบัต ท, ที่พิกจุผู้ไม่อาจคือไม่สามารถจะบอกหรือจะไปจะมีความสําคัญว่าตอนอาจกระตามมีความสําคัญว่าตนไม่อาจกรตามปิดไว้ก็ไม่เป็นอันปิดไปแท claro. ้ ก็คือความจริงแล้วตัวเองไม่อาจไปได้หรอกขาก็ก็เพกกระเพก เ, เจ็บปวดมากแต่ว่ากาลังใจดีเราสามารถไปได้แต่ว่าเราปิดไว้ดีกว่าก็มีอกุศลจิตเกิดก็ตั้งใจว่าจะปิดไว้อย่างเนี้นะก็ไม่เป็นอันปิดก็ไม่เป็นอันปิดแต่เจตนาในการที่ตั้งใจจะปิดไว้เนี่ยมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ท้นจากการที่จะมีโทษ อย่าเอาปัจจจิตเกิดในเมื่อมีความสำคัญผิดเข้าใจผิดก็เลยไม่เป็นอันปิดวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้กันขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธานในพุทธศาสนางมีความละอายต่อการที่จะล่วงละเมิดต่ อ, อศีลธรรมบทและวก็ผู้ที่ใกล้ในการีจะศึกษาทรงจำคาสอนของพระ ส, มรสมรัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ทรงจำคำสอนนั้นแล้วให้เกิดศรัทธายิ่งยขึ้นไปในการที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการเจริญงอกงามในไตรชิกขาในศาสนาของพระศาสดาที่ตรัสไว้ดีแล้วยากที่ใครจะได้พบเพราะฉะนั้นต้อง น, นึกหนาเป็นผู้ที่มีบุญก็จงสังสมบุญเหล่านี้ให้เจริญงอกงามเพื่อความเป็นโลกุตระบุญเพื่อพ้นจากวัฏตะทุกข์ในที่ตุดก็ขออนุโมทนาสาธุการแดท่านทั้งหลายขอให้ได้ตัสรู้โดยพร้ด้วยเถอสาธุสาธุสาธุ